รอยของพระตถาคตรอยสี่รอยอะไรบ้างคือหนึ่งเขาไปเจ้าเห็นคติยะบัณฑิตบางพวกในโลกนี้เป็นผู้ละเอียดอ่อนโตอตอบวาทะของผู้อื่นได้ประหนึ่งยิงขนเนื้อทรายคติยะบัณฑิตเหล่านั้นดูเหมือนว่าเที่ยวทำลายทิชิทั้งหลายของผู้อื่นด้วยปัญญาของตนพอได้สดับมาว่า พระสมณะโคดมจากเสด็จเที่ยวไปยังหมู่บ้านหรือนิคมชื่อนโน้นก็พากันคิดผูกปัญหาด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะเข้าไปหาพระสมณะโคดมแล้วถามปัญหานี้หากพระสมณะโคดมนั้นถูกพวกเราถามแล้วอย่างนี้จกตอบอย่างนี้พวกเราจะย ก, ก, กวาทะอย่างนี้ขึ้นแก่พระองค์แมหากพระสมณโคดมนั้นถูกพวกเราถามแล้วอย่างนี้จกตอบอย่างนี้ <ít> พวกเราก็จะยกวาทะอย่างนี้ขึ้นถามพระองค์ัติยะบัณฑิตเหล่านั้นได้สดับว่าพระสมณโคโดมเสด็จเที่ยวไปยังหมู่บ้านหรือนิคมชื่อนน้นแล้วก็พากันเข้าไปเฝ้าพระสมณโคโดมถึงที่ประทับ พ, พระสมณโคโดมก็ทรงชี้แจงให้ขติยะบัณฑิตเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้า ปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีกาถาคติยะบัณฑิตเหล่านั้นผู้อันพระสมณโคดมทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาถานแกล่ า, ลาปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีกถาแล้วก็ไม่ถามปัญหากับท่านพระสมณโคดมอีกเลยแล้วจากยกวาทะขึ้นแก่พระสมณโคดมนั้นได้อย่างไรเล่าที่แท้ ย่อมพากันยอมเป็นสาวกของพระสมณะโคดมนั่นแลเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นรอยที่หนึ่งนี้ในพระสมณะโคดมแล้วข้าพเจ้าก็ตัดสินใจได้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว 2. องข้าพเจ้าเห็นพรามณบัณฑิตบางพวก ละถึงสาข้าพเจ้าเห็นข้าบดีบัณฑิตบางพวก 4. ข้าพเจ้าเห็นสมณะบัณฑิตบางพวกในโลกนี้เป็นผู้ละเอียด อ, อ่อนโต้ตอบวาทะของผู้อื่นได้ประหนึ่งว่ายิงขนเนื้อทรายสมณะบัณฑิตเหล่านั้นดูเหมือนว่าเที่ยวทำลายทิฏฐิทั้งหลายของผู้อื่นด้วยปัญญาของตนพอได้สดับว่า พระสมณะโคดมจากเสด็จเที่ยวไปยังหมู่บ้านหรือนิคมชื่อโน้นก็พากันคิดผูกปัญหาด้วยตั้สงใจว่าพวกเราจะเข้าไปหาพระสมณะโคดมแล้วถามปัญหานี้หากพระสมณะโคดมนั้นถูกพวกเราถามแล้วอย่างนี้จกตอบอย่างนี้พวกเราจะยกวาทะอย่างนี้ขึ้นแก่พระองค์แม้หาพระสมณะโคดมนั้นถูกพวกเราถามแล้วอย่างนี้จกตอบอย่างนี้ พวกเราก็จะยกวาทะอย่างนี้ขึ้นแก่พระองค์สมณะบัณฑิตเหล่านั้นได้สดับว่าพระสมณะโคโดมเสด็จเที่ยวไปยังหมู่บ้านหรือนิคมชื่อนน้นแล้วก็พากันเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคโดมถึงที่ประทับพระสมณะโคโดมก็ทรงชี้แจงให้สมณะบัณฑิตเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับอวบัยปฏิบัติเร่าใจให้อาหารแก้วกล้า ปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาสมณะบัณฑิตเหล่านั้นผู้อันพระสมณะโคดมทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาแล้วก็ไม่ถามปัญหากับท่านพระสมณะโคดมอีกเลยแล้วจกยกวาทะขึ้นแก่พระสมณะโคดมนั้นได้อย่างไรเล่าที่แท้ ย่อมพากันทูลขอโอกาสกับพระสมณะโคดมนั้นเพื่อออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระสมณะโคดมก็ทรงประทานบรรพชาแก่สมณะบัณฑิตเหล่านั้นสมณะบัณฑิตเหล่านั้นผู้ได้รับบรรพชาจากพระสมณะโคดมในอนาคาริยวินัยนั้นแล้วลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนัก ก็ได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจันทร์ที่เรากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปะชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสมณะบณฑดตเหล่านั้นจึงพากันกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเราทั้งหลายเป็นผู้ไม่สูญเสียเลยแม้แต่น้อยเราทั้งหลายเป็นผู้ไม่สูญเสียเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าในการก่อน เราทั้งหลายทั้งที่ไม่เป็นสมณะเลยก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่เป็นพรามเลยก็ปฏิญญาว่าเป็นพรามไม่เป็นพระอรหันต์เลยก็ปฏิญญาว่าเป็นพระอรหันต์บัดนี้พวกเราเป็นสมณะแล้วบัดนี้พวกเราเป็นพรามแล้วบัดนี้พวกเราเป็นพระอรหันต์แล้วเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นรอยที่สีนี้ในพระสมณะโคดมแล้ว ข้าพเจ้าก็ตัดสินใจได้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วท่านผู้เจริญเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นรอยทั้งสี่เหล่านี้ในพระสมณโคดมแล้วข้าพเจ้าก็ตัดสินใจได้ว่า พระผู้มีพระภาคเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเมื่อปิโลติกะปริพาชกกล่าวอย่างนี้แล้วชานุโสนิพรามทำผ้าห่มเฉวงบาข้างหนึ่งประนมมือไปทางทิศที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วเปล่งวาจาสามครั้งว่า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 ชาณวโสนิพรามเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาราัสพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเล่าเรื่องที่สนทนากับปิโลติกะปริพาชกตามที่กล่าวมาแล้วทั้งปวงแด่พระผู้มีพระภาคเมื่อชาุวโสณิพราหมกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับชาณวโสนิพรมว่าพราหมณ์ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ข้อความเปรียบเทียบด้วยรอยเท้าช้างยังไม่ได้บริบูรณ์โดยพิสดารท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวข้อความเปรียบเทียบด้วยรอยเท้าช้างที่บริบูรณ์โดยพิสดารชาณวสุนิพรมทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า เียติคุณของพระตถ า, าคตเปรียบกับรอยเท้าช้างพราหมณ์อุปมาเหมือนพรานช้างจะพึงเข้าไปสู่ป่าเป็นที่อยู่ของช้างและเห็นรอยเท้าช้างขนาดใหญ่ทั้งยาวและกว้างในป่าเป็นที่อยู่ของช้างนั้นพรานช้างผู้ฉลาดย่อมไม่ด่วนตัดสินใจว่าช้างตัวนี้ใหญ่จริงหนอข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีช้างพังทั้งหลายชื่อว่าวามนิกา พังค่อมที่มีรอยเท้าใหญ่ในป่าเป็นที่อยู่ของช้างรอยเท้านี้จะพึงเป็นรอยเท้าช้างพังเหล่านั้นพรานช้างนั้นตามรอยเท้าช้างนั้นไปเมื่อตามรอยเท้าช้างนั้นไปก็เห็นรอยเท้าช้างขนาดใหญ่ทั้งยาวและกว้างและที่ที่ถูกเสียสีในที่สูงในป่าเป็นที่อยู่ของช้างพรานช้างผู้ฉลาดก็ยังไม่ด่วนตัดสินใจว่าช้างตัวนี้ใหญ่จริงหนอ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 และที่ที่งาแสะขาดในที่สูงในป่าเป็นที่อยู่ของช้างพรานช้างผู้ฉลาดก็ยังไม่ด่วนตัดสินใจว่าช้างตัวนี้ใหญ่จริงหนอข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะช้างพังทั้งหลายชื่อว่าอุจจากะเนรุกาพังโย่งมีขนายตูงที่มีรอยเท้าใหญ่ในป่าเป็นที่อยู่ของช้างรอยเท้านี้จะพึงเป็นรอยเท้าช้างพังเหล่านั้น พรานช้างนั้นตามรอยเท้าช้างนั้นไปเมื่อตามรอยเท้านั้นไปก็เห็นรอยเท้าช้างขนาดใหญ่ทั้งยาวเละกว้างที่ที่ถูกเสียสีในที่สูงที่ที่งาแสขาดในที่สูงและกิ่งไม้หักในที่สูงและเห็นช้างนั้นที่โคนต้นไม้ที่กลางแจ้งเดินอยู่ยืนอยู่หมอบหรือนอนอยู่เขาจึงตัดสินใจว่าช้างตัวนี้เองเป็นช้างใหญ่ตัวนั้น แม้ฉันใดข้ออุปมายันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณนะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค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 เราควรโคนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเถิดต่อมาเขาละทิ้งกองโภกคสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โคนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิต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 มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยเป็นคนสะอาดอยู่ 3. และพฤติกรรมอันเป็นค่าศึกต่อพรหมจันทร์ประพฤติพรหมจันทร์เว้นห่างไกลาจากเมถุนธรรมอันเป็นกิดของชาวบ้าน 4. ละเว้นขาจากการพูดเท็จคือพูดแต่คำสัตว์ดำรงความสัตว์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลกห ละเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทําลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทําลายฝ่ายโน้นสมานคนที่แตกกันทรงเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สมัคคีกันผู้แต่ถ้อยคําที่สร้างสรรค์ความสมัคคี 6. กละเว้นขาดจากการพูดคําหยาบ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 เว้นขาจากการพราาพืชจคามและผูตาคาม 9. ช้ชันมือเดียวไม่ชันตอนกลางคืนเว้นขาจากการชันในเวลาวิการ1 0เว้นขาจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีและดูการละเล่นที่เป็นค่าศึกแก่ขุศลส1เเว้นขาจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอม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 เว้นขาจากการรับทาตหญิงและทาตชาย 18. เว้นขาดจากการรับแพะและแกะ19เว้นขาดจากการรับไก่และสุกรยี่เว้นขาดจากการรับช้างโคม้าและลา21เว้นขาดจากการรับเรือกสวนไร่นาและที่ดิน22เว้นขาจากการรับหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสาร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 ภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดด้วยจีวอนพอคุ้มร่างกายและบินทบาทพออิ่มท้องเธอไปณที่ใดใดก็ไปได้ทันทีนกมีปีกจะบินไปณที่ใดใดก็มีแต่ปีกของมันเป็นภาระบินไปแม้ฉันใดภิกษุว่าฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้สันโ ด, ดด้วยจีวอนพอคุ้มร่างกายและบินทบาทพออิ่มท้องเธอจะไปณที่ใดใดก็ไปได้ทันที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 จึงรักษาจากขุนศีถึงความสำรวมในจากขุนศีฟังเสียงทางหูละถึงดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโพธพภะทางกายรู้แจ้งธรรมารมทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมมนินศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศุลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้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 ซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าทึบที่แจ้งลอมฟางเธอกลับจากบินทบาทภายหลังฉันพัตหารเสร็จแล้วนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าภิกษุนั้นและอภิชาในโลกมีใจปราศจากอภิชาแล้วชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาและพยาบาทและความมุ่งร้ายมีจิตไม่พยาบาท มุ่งประโยชน์เตื้อกูลสพัพสัดอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากพยาบาทและความมุ่งร้ายและถีนมิทะความหดหู่และเสื่อมซึมเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะและอุท จ, จักกุกกุจจกความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจได้แล้วเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตสงบในภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจักกุกกุจจะและวิจิ ก, กิจฉาความลังเลสงสัยข้ามวิจิ ก, กิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิ ก, กิจฉาในกุศลธรรมอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิ ก, กิจฉา รอยพระบาทของพระตถ า, าคตภิกษุนั้นละดิวรนห้าประการนี้ซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตและเป็นเหตุทำปัญญาให้อ่อนกำลังได้แล้วสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ข้อนี้เราเรียกว่าตถาคตะบทบ้างตถาคตะนิเสวิตะบ้าง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 ภิกษุบรรลุธุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ข้อนี้เราเรียกว่าละถึงพระสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอีกประการหนึ่งเพราะปิติจางคลายไป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 พระโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจจตุทัชฌานที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีสติบริสุทธิ์พระอุเบกขาอยู่ข้อนี้เราเรียกว่าตถาคตบดบ้างตถาคตนิเสวิตะบ้างตถาคตรันชิตะบ้างอริยสาวกก็ยังไม่ด่วนตัดสินใจว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า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 ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างและถึงพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้แม้ข้อนี้เราเรียกว่าตถาคตะบทบ้างตถาคตะนิเสวิตะบ้างตถาคตะรัญชิตะบ้างอริยสาวกก็ยังไม่่วนตัดสินใจว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า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 นิทุกนิโรธคามมนีปฏิปทานิอาสวะนิอาสวะสมุทัยนิอาสวะนิโรธนิอาสวะนิโรธคามมนีปฏิปทาแม้ข้อนี้เราก็เรียกว่าตถาคตบทบ้างตถาคตนิเสวิตะบ้างตถาคตรันชิตะบ้างอริยสาวกที่ยังไม่ด่วนตัดสินใจก็ตัดสินใจได้เลยว่า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 ยู่โจบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปแม้ข้อนี้เราเรียกว่าตถาคตะบทบ้างตถาคตะนิเสวิตะบ้างตถาคตะรันชิตะบ้างด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกจึงตัดสินใจได้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า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 8. มหาหัตถิปโทรประมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าช้างสูตรใหญ่เปรียบเทียบอริยสัต์กับรอยเท้าช้างข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเทตะวันอารามของอนาถบินติกะเศรษฐีเขตรุงสาวทีณนะที่นั่นแลท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคําแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนแผ่นดินรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างชาวโลกกล่าวว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้นเพราะรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่แม้ฉันใด กุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันนับเข้าในอริยสัจสี่อริยสัจสีอะไรบ้างคือ 1. ทุกข อ, อริยสัจสองทุกขสมุทยาอริยสัจสามทุกขนิโรธอริยสัจสี่ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจทุกข อ, อริยสัจเป็นอย่างไรคือชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์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 สังขารูปปาทานขันห์ 5. วิญญาณูปาทานขัน์รูปูปาทานขันอะไรบ้างคือมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยของมหาภูตรูปสี่มหาภูตรูปสี่อะไรบ้างคือ 1. ปัทวีธาตุสอาโปธาตุสเตโชธาตุสวาโยธาตุ ปัทวีธาตุปัทวีธาตุเป็นอย่างไรคือปัทวีธาตุภายในก็มีปัทวีธาตุภายนอกก็มีปัทวีธาตุภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินากะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของแข็งแข็งเป็นของหยาบได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอนกระดูกเยื่อในกระดูก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 ควรเห็นปัทวีธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราบัณฑิตครั้นเห็นปัทวีธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อนายในปัทวีธาตุและทำจิตให้คลายกำหนัดจากปัทวีธาตุเวลาที่อาโปาธาตภายนอกกาเริบย่อมจะมีได้ในเวลานั้น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 แต่ทุกเวทนานั้นอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้ไม่อาศัยเหตุก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ทุกขเวทานานี้อาศัยอะไรจึงเกิดขึ้นได้ทุกขเวทนาอาศัยผัสสะจึงเกิดขึ้นได้ภิกษุนั้นย่อมเห็นว่าผัสสะไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงจิตของภิกษุนั้นย่อมดิ่งไปย่อมผ่องไส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 การได้ด้วยดีไม่มีแก่เราหนอที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและเราลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้หญิงสะพ้ยเห็นพ่อผัวแล้วย่อมสลหดโหทูใจแม้ฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้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 ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลุกถึงพระธรรมและเระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ถ้าอุเบกขาอันอาศัยกุศสธรรมดำรงอยู่ได้ด้วยดีภิกษุนั้นย่อมพอใจพระเหตุนั้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุได้ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างมากแล้ว าอาโปาธาต์เป็นอย่างไรคืออาโปาธาตภายในก็มีอาโปาธาตภายนอกก็มีอาโปาธาตภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินากะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบได้แก่ดีเสเลฐหนองเลือดเหงือ่อมันขน้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูก ไขข้อมูดหรืออุปาทินากะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบนี้เรียกว่าอาโปาธาตภายในอาโปาธาตภายในและอาโปาธาตภายนอกนี้ก็เป็นอาโปาธาตนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นอาโปาธาตานั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นอาโปธาตนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบือนนายในอาโปธาตและทำจิตให้ใคลายกำหนัดจากอาโปธาตเวลาที่อาโปธาต์ภายนอกกําเริบย่อมจะมีได้อาโปธาต์ภายนอกนั้นย่อมพัดพาบ้านไปบ้างนิคมไปบ้างเมืองไปบ้างชนบทไปบ้างบางส่วนของชนบทไปบ้าง เวลาที่น้ําในมหาสมุทรลึกลงไปร้อยโยดบ้าง200โยดบ้าง300รอยโยตบ้าง400ร้อยโยดบ้าง500ร้อยโยตบ้างหกร้อยโยดบ้างเจ็ร้อยโยดบ้างย่อมจะมีได้เวลาที่น้ําในมหาสมุทรขังอยู่7็ชั่วล้ำตาลบ้าง6ชั่วล้ำตาบ้างห้าชั่วล้ำตาลบ้างสี่ชั่วล้ำตาบ้างสามชั่วล้ำตาบ้างสองชั่วล้ำตาบ้าง หชั่วลําตาลบ้างย่อมจะมีได้เวลาที่น้ําในมหาสมุทรขังอยู่เจดชั่วบุรุษบ้าง6ชั่วบุรุษบ้างหชั่วบุรุษบ้างสชั่วบุรุษบ้างสมชั่วบุรุษบ้างสองชั่วบุรุษบ้างหนึ่งชั่วบุรุษบ้างย่อมจะมีได้เวลาที่น้ําในมหาสมุทรขังอยู่เกิงชั่วบุรุษบ้างประมาณเพียงเอลบ้างประมาณเพียงเข่าบ้าง ประมาณเพียงข้อเท้าบ้างย่อมจะมีได้เวลาที่น้ำในมหาสมุทรไม่มีพอเปียกข้อนิ้วมือก็ย่อมจะมีได้อาโปธาดภายนอกซึ่งมีมากถึงเพียงนั้นยังปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาฉนาันกายซึ่งตั้งอยู่ช่วเวลาเล็กน้อยที่ถูกตันหาเข้าไปยึดถือว่าเรา